แต่ในคู่แต่และคู่แต่และคู่นั้นอธิบายอริยมรรคสภาวะของอริยมรรคว่าสภาวะของอริยมรร KN ั้นเขาสงบเนี่ยนะอริยมรร KN ั้นเป็นสมุทเฉทวิเวกเป็นสมุทเฉทวิราคะเป็นสมุทเฉทานิโรธะเป็นปักขันธะเนี่ยนะเรียกว่าปริจาคปักขันธะไปเพราะปล่อยแล้วก็สมุทเฉทวิมุตทีนี้พวกวิเวก วิราคะนิโรธาปฏินิสาาักะแม้กระทั่งวิมุตต์เนี่ยเขาเขามีอะไรเป็นอารมณ์ก็เลยใช้คําว่าประพฤติในวิเวกคือพระนิพพานเหล่านั้นเทั้งจึงท่องเที่ยวไปในพระนิพพานเนี่ยเป็นที่สงบระงับจากสังขารทั้งมวลตรงนี้ก็มุ่งอธิบายอะไรนะวิมุตต์วิเวกวิราคะอะไรแล้วก็ปฏินิสักะ พวกวิเวกวิมุตวิราคาประปฏินิสักขะเนี่ยนะก็เป็นชื่อของอริยมรรคทีนี้อริยมรรคมีอะไรเป็นอารมณ์ถามว่าเขาประพฤติในอะไรมรรคพวกนี้นะเนีก็ต้องประพฤติในนิพพานเพราะสภาวะของเขาเนี่ยต้องจริยะจรเนี่ยนะจระจริยะเนี่ยเที่ยวไปในพระนิพพานโดยที่มีพระนิพพ า, านเป็นอารมณ์เนี่ยนะ ทีนี้ก่อนที่อริยมรรคจะเกิดมันอะไรนะก็โคตรภูก่อนโคตรภูทีนี้ก่อนที่โคตรภูจะเกิดก็เป็นวิปัสสนาก่อนที่วิปัสสนาจะเกิดก็สมถะเป็นอย่างดีก็ศีลเป็นอย่างดีสุตะเป็นอย่างดีศรัทธาบริบูรณ์เนะี้ยเพรทันพอมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วพวกนี้ก็ชื่อว่าจรหรือ ประพติอยู่ในพระนิพพานโดยที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ซึ่งพระนิพพานนั้นจะเรียกว่าวิเวกก็ได้ว่าสงัดเขาสงัดวิมุตตคือหลุดพ้นจากสังคต ธ, ธรรมวิราคะเป็นธรรมชาติที่คลายกำหนัดเป็นธรรมชาติที่สละคืนอย่างแท้จริงสภาวะของเขาเป็นอย่างนั้นก็เป็นการอธิบายเพื่อให้เราเห็นธรรมคุณนั่นเองว่าอริยมรรคกับพระนิพพานเนี่ยเข้าเป็นอย่างไร งั้นผู้ที่ปฏิบัติตามนี้แล้วรู้แจ้งแทงตลอดนั้นจึงเป็นบุคคลที่สงัดอย่างแท้จริงเป็นบุคคลที่วิเวกอย่างแท้จริงเป็นบุคคลที่นิโรธนะดับได้อย่างแท้จริงเป็นผู้ที่โวสักขะเนี่ยนะสละได้อย่างแท้จริงหรือเป็นผู้ที่หลุดพ้นอย่างแท้จริงนะก็หลุดพ้นด้วยอริยมรรคเป็นต้นดังกล่าวไปแต่ก็ดูนะให้ดูในเนี่ยในหน้าข้อหมายเลขแปดวิเวกใช่ไหม สิบเอ็ดวิราคะสิบสามนิโรธะสิบห้าวัฏสักคะแล้วก็สิบเจ็บวิมุตตินี่ยพวกคําเนี้เป็นชื่อของอริยมรรคส่วนที่เหลือก็เป็นอารมณ์ของอริยมรรคนั่นเองอารมณ์ของอริยมรรกก็คือนิพพานเนี่ยนะตัวนี้ครั้งหนึ่งนะว่าคําว่าทั้งหมดเนี่ยจริงๆก็มุ่งอธิบายอริยมรรคทั้งสิบแดข้อนั่นแหละแต่ว่าทีนี้การที่จะอธิบายอริยมรรคเนี่ย ต้องเอานิพานมาที่บ่ายก็สังเกตจากบาลีเนี่ยบางทีก็จะทำให้อาจจะเข้าใจขึ้นมากก็ได้ก็แสดงว่าเกี่ยวกับเรื่องอารยมรรคเกี่ยวกับเรื่องนิพานนั้นมีอะไรต้องเรียนอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นพวกกรรมฐานที่ที่เบื้องต้นที่เราเรียนเราศึกษาที่บอกว่าเจริญสัมมาทิฏฐิอาศัยวิเวกอาศัยวิราค้าอาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อการสละบน้อมไปเพื่อการหลุดพ้นก็อันนี้แหละ คือน้อมมาหาคุณเหล่านี้นั่นเองเวลาเจริญคุณทั้งหลายเบื้องต้นก่อนน้อมให้คุณเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งเป้าไว้เลยเนี่ยนะเจริญตีติสัมโพธชงปัสสัตที่สัมโพธชงเจริญพุทธคุณเจริญธร ร, รมคุณสังฆคุณหรือแม้กระทั่งให้ทานรักษาศีลปรารบกุศลศีลก็มุ่งเพื่อให้กุศลเหล่านี้เกิดขึ้นท่านเห็นชัดเลยว่าที่พระองค์ตรากว่าในบรรดาสังฆตะธรรมธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเนี่ยนะอริยมรรคประเสริฐที่สุด เพราะมันประชุมมากเหลือเกินนี่อาศัยองค์ประกอบมากเหมือนกับที่เรียกว่าโพธิปัจขยธรรมพวกตื่นตือนทั่วเตื่นพร้อมไปต้นเนี่ยเป็นลักษณะนั้นนี่มาดูอธิบายเป็นอิธิบาตบ้างว่าข้อ41กล่าวว่าสภาวะแห่งฉันทะฉันทะหมายถึงพอใจใช่ไกัดตกกรรมยตาฉันทะหมายว่าต้องการเพื่อจะทำนั้นสภาวะของฉันทะก็เป็นอย่างนั้นต้องการจะทำ ถ้าเป็นที่อื่นอธิบายว่าผู้มีฉันทะคือผู้มีศรัทธาเนติปกรณ์เนติปกรณอะไรหาระวิจัยหาระอธิบายว่าวิจัยหรือเทศนหาระคือมีศรัทธานั่นแหละผู้ที่มีศรัทธานั่นแหละเรียกว่ามีฉันทะเนี่ยนะผู้ที่มีฉันทะคือผู้ที่มีศรัทธามันผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยเต็มใจทํามือนเนี่ยพอใจที่จะทําเป็นอย่างมากะในการปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะเขาเขาเต็มใจทํา ความเป็นมูลแห่งฉันท่หมายถึงว่าในกาละเริ่มภาวนาตั้งฉันท่เอาไว้เป็นประธานเป็นศีรษะเนี่ยเอาฉันท่เป็นหลักมันถือเอาศรัทธานี่แหละเป็นหลักฉันจะปฏิบัติด้วยศรัทธานี่แหละนะถือการปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยสัจด้วยศรัทธาพวกนี้แหละเรียกว่ามีฉันท่เป็นมูลฉันท่าเป็นมูลแห่งการปฏิบัติเพื่อบรรลุอริยมรรคเนี่ยแล้วก็ใช้ฉันท่านี่แหละเป็นบาตร คือเป็นบาตแห่งฉันทะเนี่ยนะคือสภาวะฉันทะนี่เข้าไปเป็นบาตของสหชาตธรรมคือสหชาตธรรมทุกอย่างเนี่ยเอาฉันทะเป็นเป็นบาตเป็นหลักคือถูกกระตุ้นถูกเตือนด้วยอํานาจของฉันทะแล้วก็ฉันทะเนี่ยเป็นอธิบดีของกุศลธรรมเขาเป็นใหญ่กว่าเพื่อนในกุศลธรรมเราอื่นแล้วก็ฉันทะนั้นมีสําเร็จแห่งฉันทะหมายถึงว่าในประโยคนาการคือในการประกอบความเพียรเนี่ยนะ ในประกอบของการปฏิบัติจนถึงทําให้สําเร็จมันะนนั้ก็เอาฉันท่าเป็นเป็นเครื่องทําให้สําเร็จแล้วก็ที่น้อมไปแห่งฉันท่อธิโมกข์นะก็คือน้อมไปด้วยฉันท่านะเอาฉันทะเนี่ยน้อมไปมันเวลาปฏิบัติเอาฉันท่านี่เอาศรัทธาเนี่ยนำหน้ามุ่งดึงไปเลยมีฉันท่าเนี่ยเป็นที่มั่นที่ตั้งมั่นก็มีความไม่ฟุ้งซ่านแห่งฉันทะคือฉันท่านี่ไม่ฟุ้งซ่านนะนะด้วยสมาธิ แล้วก็มีฉันท่านี่เป็นที่เห็นั้งเกิดูไล่ะนะข้อสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าข้อนี้คืออะไรศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาเพราะมีฉันท่าอย่างเดียวเนี่ยไม่พอหรอกก็ต้องมีอินรี่ห้าท่นปฏิบัติให้อินรี่ห้าเกิดขึ้นแต่อาศัยฉันท่าเป็นศีรษะคือเป็นมูล เป็นมูลเนี่ยเอาศีรษะอาฉันท่าเป็นมูลเป็นบาตเป็นประธานเป็นความสําเร็จเพื่อจะเจริญอะไรจะเจริญอินสี่ห้าก็มันศรัทธาอย่างเดียวถ้าเรียกว่าจงน้อมใจเชื่อเถิดเป็นต้นเนี่ยไม่พอถ้าอินสี่ห้าก็ต้องดีใช่ไหมฉันผู้ที่ปฏิบัติโดยที่เอาฉันท่เป็นหลักก็สามารถบรรลุได้แต่ก็ต้องไม่ลืมไหมศรัทธาเห็นได้ที่ไหนโสตาปฏิยังฆ่าธรรมสี่ วิริยะสมาปาทานสี่สติสติปทานสี่สมาธิฌานสี่ปัญญาอริยสัจสี่ท่านการปฏิบัติเพื่อให้แทงตลอดคุณธรรมเหล่านั้นอาศัยฉันท่าเป็นบาทอาศัยฉันท่าเป็นมูลอาศัยฉันท่เป็นประธานเป็นอธิบดีเป็นคุณธรรมที่ทําให้สําเร็จนั่นแหละส่วน ข้อต่อไปก็เหมือนกันนะวิริยะเนี่ยธรรมชาติเขาคือธรรมชาติที่ประคองไอ้ธรรมชาติที่ประคองเนี่ยเอาเป็นมูลแห่งการปฏิบัติก็ได้คือเอาวิริยะเป็นหลักเอาวิริยะเป็นบาทเอาวิริยะเนี่ยเป็นประธานเอาวิริยะนี่เป็นเครื่องสาเร็จแล้วก็เจริญอินรี่ห้าใช่ไหมอภิโมกต์ตัวนั้นเป็นชื่อของศรัทธาปัจจกะเป็นชื่อของอะไรปัจะความเพียรอุปทานะสติอาวิเขปะ สมาธิทัศนะอะไรปัญญาเนีนะ่เพราะฉะนั้นหกเจ็ดแปดเก้าสิบให้รู้ว่าอินรี่ห้าจำไว้นะหกเจ็ดแปดเก้าสิบอินรียห้าอย่างเดียวผู้ที่ปฏิบัติธรรมโดยเอาโดยเอาวิริยะเป็นมูลเป็นบาปเป็นประธานเป็นเครื่องสำเร็จนี้ก็ต้องเพื่อจะเจริญอะไรเจริญอินรียห้าโดยที่เอาวิริยะเป็นบาปเป็นมูลเป็นประธานเป็นเครื่องสาเร็จเนี่ยนะ ส่วนถ้าเอาจิตเป็นบาทรอะจิตจิ้นจิน ต, ต, ต, ต, ต, ตนะเนี่ยธรรมชาติที่คิดเออเอาความคิดเป็นหลักก็ได้นะเอาความคิดเป็นมูลเอาความคิดเป็นบาทเอาความคิดเป็นประธานเอาความคิดเป็นเครื่องสําเร็จใช่ไหมแล้วก็เจริญศรัทธาน้อมไปประคองตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านเห็นเนี่ยนะหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็คืออินรียห้าน้อมไปก็ด้วยน้อมด้วยศรัทธาประคองด้วยความเพียร ตั้งมั่นด้วยสติไม่ฟุ้งซ่านด้วยสมาธิเห็นด้วยปัญญามันก็เอาใจเป็นใหญ่ก็ว่าเอาแต่ใจตัวเองก็ได้เนี่ยให้ใจตามนี้ก็แล้วกันบรรลุได้เหมือนกันเอาใจเป็นใหญ่ที่เอาใจเป็นมูลเป็นบาปเป็นประทานเป็นที่บดีเป็นเครื่องสําเร็จแล้วก็อบรมอินทรียห้าก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ตรงนี้คือคําอธิบายอิทธิบาทอีกวิธีหนึ่งอิธิบาท โดยเอาฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาเป็นบาตเป็นมูลเป็นประธานเป็นเครื่องให้สำเร็จให้แทงตลอดอริยสัจบรรลุมรรคผลน่ะนะส่วนวิมังสาเนี่ยนะวิมังสาก็คือปัญญาอุปริขาแปลว่าการเข้าไปพิจารณาการเข้าไปพิจารณาโดยที่มีปัญญาเป็นมูลเป็นบาทเป็นประธานเป็นเครื่องสำเร็จเป็นคุณธรรมที่ทำให้สำเร็จแล้วก็เจริญศรัทธาวิริยสติสมาธิและ ปัญญาฉัน ท, ทุกหัวข้อเนี่ยนะด้วยอำนาจอิทธิบาทเนี่ยฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาโดยเอาฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาเป็นมูลเป็นบาปเป็นประธานเป็นเครื่องสําเร็จเจริญอินทรี่ห้าก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้สามารถบรรลุมรรคผลได้ก็ผุ้การแนวโน้มเนี่ยฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาเนี่ยอันไหนเป็น ดูจะเอาอะไรเป็นบะเป็นมูลเป็นบาปเป็นประทานเป็นเครื่องสําเร็จเอาหมดเลยเหรอโอ้เก่งมากการเอาปัญญานะ่ยบางคนก็เอาศรัทธานะบางคนเพียนเข้าว่ารู้ไม่รู้เรียนไปก่อนเถอะสนใจกไม่เลิกสัอย่างอันนะบางพวกก็บอกม่าต้องฉลาดคิดสิบางพวกก็บอกนักไข้ครวนนักพิจารณาเน่ยนะนะก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่ทายาสัยมันนั้นนะเพราะแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกัน ผู้ศรัทธาเนี่ยเบากับเพื่อนไม่ค่อยหนักพวกเพียร น, นี่หนักหน่อยเนี่ยนะพวกคิดเนี่ยนะพวกนักคิดอยู่แล้วก็ไม่เท่าไหร่พวกมีปัญญาก็ฉลาดลนะแต่พวกเพียร น, นี่หนักกับเพื่อนหน่อยเพราะฉะนั้นอธิบาต ท, ทั้งสี่ประการเนี่ยก็ถือว่าเป็นมูลเป็นบาตเป็นประธานเป็นอธิ บ, บดีเป็นเครื่องให้สาเร็จในการเจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาได้